รกรรมาฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่ท่านปฏิบัติจริงๆยังมีอยู่มากโดยมากท่านไม่ค่อยออกจากป่าจากเขาประชาชนที่อยู่ในเมืองหรือในเมืองหลวงจึงไม่ค่อยมีโอกาสทราบได้ว่าท่านพักอยู่ในที่เช่นไรและอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างจึงเจอเรียนให้ทราบตามจังหวัดที่ท่านชอบพักอยู่แต่ในตัวจังหวัดจริงๆท่านไม่ค่อยชอบอยู่ชอบอยู่ตามอำเภอนอก ซึ่งเป็นป่าเป็นเขาที่สงบเงียบห่างจากอำเภอและตัวจังหวัดอยู่มากบางแห่งรถเข้าไม่ถึงบางแห่งรถพอเข้าได้แต่ลำบากต้องบุก ป, ป่าบุกโคลนเข้าไปทนานาฝนก็เข้าไม่ได้ปกติพระกรรมฐานท่านจะไปไหนมาไหนชอบเดินแบบทุดดงคือเดินเท้าเปล่าไปเรื่อยๆขึ้นเขาลูกนี้ปีนเขาลูกนั้น อาที่พักภาวนาไปตามวิสัยไม่ค่อยสนใจจะออกมาบ้านมาเมืองท่านปฏิบัติกันอย่างเงียบๆใครๆไม่ค่อยทราบแต่พระกรรมฐานด้วยกันท่านทราบเรื่องของการตลอดทั้งภายในภายนอกว่าท่านองค์ใดพักอยู่ที่ไหนกันบ้างอำเภอใดในจังหวัดนั้นๆมีพระเนนประมาณเท่าไหร่ท่านทราบกันได้ดีทุกระยะเพราะท่านติดต่อกันอยู่เสมอ ยิ่งครูอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือด้วยแล้วพระกรรมฐานยิ่งชอบมากราบเยี่ยมศึกษาอัต ธ, ธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดขณะนั่นไปขณะนี้มาผลัดเปลี่ยนกันไปมาอยู่ไม่ขาดทั้งหน้าแ้งหน้าฝนเว้นเฉพาะหน้าพรรษาที่อยู่ห่างไกลก็มาลำบากจำต้องขาดการติดต่อไปชั่วคราวส่วนที่อยู่ใกล้พอไปมาหาสู่กันได ท่านย่อมไปมาหาสู่กับครูอาจารย์และหมู่คณะเสมอเพื่อศึกษาอัต ธ, ธรรมด้วยความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้มีคุณธรรมและถือเป็นประเพณีของพระกรรมฐานมาดั้งเดิมที่ต้องมากราบเยี่ยมฟังการอบรมต่างๆตามโอกาสที่ควรฉะนั้นท่านจึงทราบการอยู่การไปของกันและการได้ดี พูดถึงภูมิจิตภูมิธรรมของท่านที่สูงสูงก็ยังมีอยู่มากแต่โดยมากท่านเหล่านี้มีสมบัติไม่ค่อยนำออกจับจ่ายเรียราดเหมือนคนมีทรัพย์ไม่ชอบอวดตัวเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใช้อย่างคนธรรมดาธรรมดาไม่ฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมให้วุ่นไประทิมุ่งต่ออัตถธรรมจริงๆท่านปฏิบัติตั ว, ตวแบบนั้น ต่างท่านต่างอยู่อย่างเงียบๆตามอัธยาศัยของผู้หนักในธรรมไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดอันเป็นลักษณะของโลกกรรมฐานสายนี้ท่านมีนิสัยเงียบๆชอบเงียบทั้งทางหูเงียบทั้งทางปากเงียบทั้งทางตาเงียบทั้งทางใจถ้าไม่ใช่พวกกันเองจริงๆท่านไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับธรรมะภายในของท่าน ให้ใครทราบเลยฉะนั้นเมื่อได้ยินใครก็ตามคุยเคืองๆหน่อยโดยหาเหตุผลไม่ได้ตามนิสัยของคนชอบบวดตัวท่านเหล่านี้จึงมักเวียนศรีรษะคอยแต่จะเป็นลมตามนิสัยพระกรรมฐานสายนี้ที่ชอบเป็นคนาธาตุอ่อนในทางคุยโม้โอ้อวดเนื่องจากท่านไม่สันทัดจัดเจนกับสังคมซึ่งมักมีเรื่องเคืงๆปะปนอยู่เสมอ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 และหันหน้าเข้าฝาบ้างเข้าป่าบ้างกลัวเป็นลมถ้าทนฟังไปนานในวงเดียวกันถ้าองค์ใดชอบคุยเคือ ง, งเช่นนั้นท่านรังเกียจว่าสู้แมวและเสือก็ไม่ได้เพราะสัตว์ชนิดนี้เขายังรู้จักซ่อนเล็บซ่อนเขี้ยวของเขาดีกว่าพระบ้า น, น้ำลายถึงเวลากลางเล็บแยกฟันตามเหตุการณ์ที่ควรเขาจึงแสดงออก ส่วนเราเป็นมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานซึ่งเป็นเพศที่ควรใคร้ครวนโดยละเอียดสุขขุมก่อนจะระบายอะไรออกมาแต่ยังมาคุยโม่โออวดได้โดยไม่รู้จักอายต่อสถานที่บุคคลการเวลาบ้างเลยท่านจึงมักเข้าใจผิดผิดไปว่าองค์เช่นนั้นเป็นกรรมฐานหน้าไม่รู้จักอายและท่านที่หนักในธรรมทั้งหลายไม่ค่อยเต็มใจคบคาสมาคมด้วย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 ให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่ชอบให้ธรรมะที่กำลังรักสงวนกระจายออกไปโดยใช่เหตุอันเป็นลักษณะสุก่อนหามและขายก่อนซื้อที่โลกก็ถือกันว่าเป็นความเลวทรามวงปฏิบัติจึงระมัดระวังกันมากตลอดมาแต่ครูอาจารย์โดยมีความเห็นว่าการพูดธรรมะภายในจึงเป็นสมบัติของตัวโดยเฉพาะ แก่บุคคลที่ไม่คุ้นเคยและไว้ใจกันมาก่อนเป็นความไม่รู้จักความเหมาะสมในตัวเองในสังคมและในธรรมะทั้งหลายซึ่งเป็นการขายตัวแทนที่จะเกิดประโยชน์เรื่องทานองนี้ไม่ว่าเฉพาะทางธรรมะซึ่งเป็นความละเอียดเลยแม้แต่โลกที่มีสมบัติผู้ดีติดตัวเขายังรู้จักถ่อมตนระวังตัวไม่คุยโม้อ้ออวด อันเป็นลักษณะประกาศความลามกของตัวให้คนมีสมบัติผู้ดีเบื่อรำคาญธรรมะยิ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของนักปราชมาประจำแผ่นดินซึ่งควรระมัดระวังสมกับผู้มีภูมิธรรมในใจไม่เปิดปล่อยให้เรียราศาสตร์กระจายไปแบบไม่รู้จักประมาณความพอดีจนเป็นที่น่าสลดสังเวชแกวงปฏิบัติละพุทธบริษัทด้วยกัน ราวกับสิ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยที่วงปฏิบัติท่านสงวนตัวสงวนธรรมนั้นชอบแล้วผู้เขียนแม้ไม่มีความรู้ที่แหลมหลักนักปรา ช, ชาติกวีอะไรเลยยังรู้จักเลื่อมใสท่านเพราะเป็นปฏิปทาที่สงบสงเสงียมเจียมตนไม่เพเยเย่อหยิ่งอันเป็นลักษณะลิงได้แก้วแต่ไม่รู้จักวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ พาห้อยโหนโยนตัวไปบนกิ่งไม้ใกล้ตลิงชันๆันพอโหนไปไม่ถึงไหนก็พาแก้วหล่นตูมลงก้นเหวลึกแหลกละเอียดไปทั้งตัวทั้งแก้วอันมีค่าและชิบหายไปด้วยกันจึงพอเป็นคติเตือนใจได้ทั้งทางโลก ท, งทางธรรมว่าไม่ควรเอาอย่างลิงได้แก้วมาใช้ให้เลอะเทอะแก่โลกแก่ธรรมต่อไปจะกลายเป็นโรคเรื้อรังระบาดทำลายโลกและธรรมะให้จิบหายไม่มีประมาณ กว่าจะยุติลงได้พระกรรมาฐานบางองค์แม้อายุพัรษายังน้อยแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติท่านโดดเดี่ยวอาจหารดีน่าเป็นคติและประดับเกียรติแก่วงคณะปฏิบัติได้ดียังมีอยู่หลายท่านบรรดาที่เป็นลูกศิษย์บ้านปลายของท่านอาจารย์มั่นระยะนี้ท่านกำลังเร่งรีบทั้งความเพียรภายใน ต่อไปจะได้อาศัยท่านเหล่านี้เป็นกำลังพระศาสนาและเป็นผู้นำหมู่คณะต่อไปเมื่อกูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านล่วงลับไปอันเป็นคติธรรมดาที่ใครๆจะอดระลึกไว้ก่อนมิได้วันนี้ท่านองค์นี้ล่วงไปคนนี้ล่วงไปวันหน้าท่านองค์นั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไปวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าองนั้นล่วงไปคนนั้นล่วงไป หรือวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราท่านอาจล่วงไปหรือวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเราท่านอาจล่วงไปก็ได้เพราะเป็นสิ่งไม่แน่นอนด้วยกันทั้งสิน้นเนื่องจากต่างคนต่างเดือนเหยียบย่ําไปมาอยู่กับโลกอนิจจังด้วยกันตลอดเวลาไม่ทราบว่าเราหรือท่านผู้ใดจะเหยียบผิดพลาดอาจตกลงไปในหลุมแห่งอนิจจังคือความสลายตายจากเมื่อไหร่ ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทนอนใจในสังขารคือตัวเราตัวท่านเองพระองค์ท่านที่เด็ดเดี่ยวปรีบรเร่งตัด ต, ว, ตวงความเพียรไม่หยุดยั้งนั้นท่านอาจเล็งเห็นกฎพินาศที่หลีกเว้นไม่ได้นี้อย่างเต็มใจก็ได้จึงพยายามแวกไหว้ด้วยวิธีต่างๆมีได้ลดละปล่อยวางความเพียร่าวจำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติต่ตอกฎของชาติโดยทางบ้านเมืองของอารัธนาท่านลงมาจากภูเขาชั่วคราวรอบเป็นแดนที่ไม่ปลอดภัยทั้งท่านเองและท่านผู้อื่นจำนวนมากเกี่ยวกับความสับสนวุ่นวายของบ้านเมืองที่กำลังเป็นสองฝักสองฝ่ายซึ่งอาจมีทั้งร้ายทั้งดีที่ไม่ควรนอนใจเมื่อบ้านเมืองสงบพอเป็นที่เย็นใจแล้วค่อยขึ้นไปพักบาเพญตามอัธยาศัย ท่านยังรู้สึกอึดอัดใจที่จำต้องปฏิบัติตามโดยออกจากป่าจากเขาลงมาอยู่สถานที่ธรรมดาแม้เป็นเสนาสนะป่าที่มีความสงัดวิเวกอยู่บ้างไม่วุ่นวายจนเกินไปทั้งนี้เพราะความสะดวกต่อการบำเพ็ญที่เคยได้รับผลในสถานที่เช่นนั้นมาเป็นประจำและถูกกับอัทยาศัยของผู้มุ่งหวังอัตถธรรมอย่างแรงกล้าภายในใจมาประจานิสัย